พระธรรมเทศนาแผ่นที่103าลำดับที่5โดยหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมในวันที่24กุมภาพันธ์2560มีชื่อเรื่องว่าภาวนาเพื่อชำระใจก่อนที่จะสมานฐานสิ น, นหลวงพ่อเอง ถือว่าหลวงพ่อก็แล้วกันนะคณักสัตยาติโยมลูกหลานพ่อหลวงพ่อไปนสัานที่ใดหลวงพ่อก็อืมรวมหลงควรจะเป็นหลวงพ่อหลวงตาสําหรับสัตยาติโยมลูกหลานถ้าหาว่าผู้ใดน้อยกว่าหลวงพ่อก็ถือว่าเป็นน้องๆ้องก็แล้วกันเรียกว่าหลวงพี่ก็แล้วกันนะอถ้าหาว่าผู้อายุน้อยกว่าก็ถือว่าเป็นลูกเป็นลานพ่อหลวงพ่อเดี๋ยวนี้ปีนี้อายุ7จดบสปีแล้วนักนักสัตยาธิยม ผูที่นั่งอยู่ทั้งหมดเนี่ยผมพ่อมองเห็นแล้วเป็นน้องๆของหลวงพ่อทั้งหมดเอพอหลวงพ่ออายุเป็นพี่นะอายุเจ็ดบสปีก็ต้องเป็นพี่นะเพราะนั้นถือว่าผู้ใดที่อายุน้อยกว่ากถือว่าเป็นน้องน้องของหลวงพ่อก็แล้วกันลูกหลานอายุยังน้อยก็ถือว่าหลวงพ่อเป็นหลวงพ่อก็แล้วกันเพราะนั้นถลงพ่อจึงสมมติว่าเอาหลวงพ่อชื่อว่าหลวงพ่อนะแต่ถือยังไงก็ตามนะ อันนี้เป็นความเป็นคสมมตุติแต่เนื้อหาสาระที่จะต้องพูดจะต้องสนทนาหรือจะให้แสดงความคิดเห็นนั้นอันนั้นอีกส่วนหนึ่งแต่ก่อนที่จะสมาทานสินหลวงพ่อไปเองไปนสถานที่ต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกศูนย์ส่วนราชการหรือว่ากลุ่มต่างๆที่ได้รับการ จกย่องว่าเป็นสถาเป็นผู้ที่รับได้รับการศึกษาทางโลกแต่ว่าโดยมากที่หลวงพ่อได้สังเกต เ, เมื่อเราเป็นเด็กเราก็เข้าโรงเรียนประถมะมัธยมต่อไปก็ปริญญาตรีโทเอกก็โดยมากไปต่างประเทศที่มากกว่าที่จะมาทำงานในเมืองไทยเพราะนั้นเรื่องศีลธรรมจริยธรรมอันเก่าแก่ที่บรรพบุรุษของพวกเราได้ฟังได้ศึกษา ได้ปฏิบัติกันมาโดยมากาพวกกลุ่มเหล่านี้รู้สึกว่าจะห่างเหิน เ, เพราะนั้นหลวงพ่อไปนักฐานที่ใดหลวงพ่อจึงได้บรรยายหรือ ว, ว่าได้โพดทำความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนาลูกหลานให้เข้าใจว่าศีลธรรมของพุท ธ, ธะทำไม บ, บรรพบุรุษของพวกเราจึงยกย่องเ ช, ชิดชูพุทธศาสนาไม่ว่างานัน อวะมงคลไม่ว่างานมงคลงานอาวะมงคลก็คืองานศพหรือว่างานออพระราชทานเพลิงศพะเนี่ยงานอาวะมงคลงานมงคลก็คืองานแต่งงานงานขึ้นบ้านใหม่ออหรืองานทำบุญอายุอันนี้ไปว่างานมงคลแต่ถึงยังไงก็ตามทั้งสองงานก่อนที่จะเริ่มพิธีพวกเราก็จะได้กล่าวอัรลาฮนาศิญเสียก่อน เราชกยกช่องเชิดชูเรื่องศีลเป็นเป็นเครื่องนำเพราะอะรเพราะพวกเราอยู่ด้วยกันมากมายหลายกลุ่มหลายหมู่หลายคณะที่มารวมมาร่วมมารวมกันถ้าหากว่าพวกเราต่างไม่มีศีลไม่มีคุณธรรมไม่มีศีลธรรมไม่มีศีลห้าพูดง่ายๆพวกเราอยู่ด้วยกันก็ด้วยความระแวงแคลงใจกันถ้าหาว่าพวกเรามีศีลด้วยกัน แล้วก็การอยู่ด้วยกันก็ไว้เนื้อเชื่อใจกันเพราะนั้นศีลและธรรมของพระพุทธเจ้าคนโบราณหรือว่าต้นตระกูล เ, เมืองไทยของเราเขาจึงให้เวลาธรรมเข้ามาชุชมชนอย่างนี้ท่านจึงให้มีการสมาทานศีลก่อนศีลห้าข้อที่หนึ่งปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปรทถงสมาติยามิ ข้าพระเจ้าจงงดเว้นในการฆ่าการฆ่ากันการฆ่าคนอื่นเราไปฆ่าคนอื่นเขาเราก็ไม่รู้สึกอะไรเพราะเราชะใจอีกต่างหากเพราะเราไปฆ่าเขาแต่เมื่อเขามาฆ่าเราฆ่าพ่อแม่พี่น้องวงศาคณะญาติของเราเรามีความรู้สึกเสียใจในเมื่อเราไปฆ่าเขาเขาก็คงจะเสียใจเช่นเดียวกันเพราะนั้นพระพุทธเจ้าจึงมัญญัดบัญญัติสินข้อที่หนึ่ง อย่าคิดฆ่ากันข้อที่สองอธินาธานาเวระมณีอย่าคิดขโมยกันถ้าเราไปขโมยสิ่งของของเขาเราก็ดีใจเพราะเราขโมยของเขาได้มาแต่พวกพวกที่เขาที่ถูกขโมยเขาเสียใจถ้าเขามาขโมยของเราเราก็เสียใจเช่นเดียวกันเพราะนั้นพระพุทธเจ้าจึงบัญญัติสินข้อที่สองออการขโมยไม่ใช่ขโมยของเล็กๆน้อยๆต่อไปมันใหญ่ขึ้นเรื่อย ขโมยพ่อแม่พี่น้องของเขามาเรียกค่าไทยห ร, หรือว่าเขามาเรียกขโมยพ่อแม่พี่น้องของเราไปเรียกค่าไทยอย่างนี้แหละเรารู้สึกยังไงเสียใจยไหมต่างคนก็ทาต่างเสียใจยถ้าเคารพสิทธิ์ซึ่งกันและกันดีไหมนี่พระพุทธเจ้าบัญญัติศินข้อที่สองข้อที่ ส, ข, สข้อที่สองข้อที่สกาเมสุมิชัยจาราเวรมณีให้ อย่าอย่าไปล่วงเกินในสามีภรรยาคนอื่นเขาให้เคารพสิทธิ์เขาต่างคนก็ต่างมีเราก็มีมีสามีภรรยามีลูกมีหลานมีบ่งสาคานายาตถ้าคนอื่นมาล่วงล้ำเราเราก็เสียใจถ้าเราไปล่วงล้ำเขาละ่ะเขาก็เสียใจเช่นเดียวกันเพราะนั้นพระพุทธเจ้าจึงบัญญัติสินข้อที่สให้เคารพสิทธิ์ซึ่งกันและกันเพราะต่างคนต่างมีพี่มีน้องรักเมตตา ของเขาศินข้อที่สี่มุสาวาทาเวรามณีอย่าไปโกหกต้มตุ๋นหลอกลวงคนอื่นเขาถ้าเราไปต้มตุ๋นโกหกหลอกลวงเขาเขาก็เสียใจเมื่อเมื่อเราไม่มีเงินในธนาคารเราไปเขียนเช็คให้เขาอย่างเนี้ยแล้วเขาเอาขึ้นเอาเงินขึ้นธนาคารถ้าเช็คใบนั้นราคาเงินไม่เท่าไหร่เขาก็คงจะไม่เสียใจมากถ้าเงินเป็นล้านล้านขึ้นไปแล้วเฮ้ยไม่มีเงิน เขาเสียใจไหมถ้าเขามาทำกับเราล่ะเราเสียใจไหมเราก็เสียใจเช่นเดียวกันเพราะนั้นศินข้อมุสาท่านจึงให้สํารวมระวังอย่าไปโกหกต้มตุนหลอกลวงคนอื่นเขาเในหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ว่าคนที่ชอบโกหกทั้งที่รู้รู้จะไม่ทำความชั่วอย่างอื่นเป็นไม่มี อันนข้อนี้ให้พวกเราฟังเอาไว้พระพุทธเจ้าตรัสเมื่อ 2,560 ปีให้หลังนามาพูดก็ยังทันสมัยว่ไอ้ไล่ขนที่ชอบโกหกกะล่อนไปกล่อนมาจะเป็นผู้ใหญ่ผู้น้อยจะเป็นใครก็าตามถ้าชอบโกหกแล้วจะไม่ทำความชั่วอย่างอื่นเป็นไม่มีพระพุทธเจ้าท่านรับรองอ่างนั้นศินข้อที่5าสุราเมรยะมัชชะปะมา การดื่มสุราและเมลัยเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทคนที่ดื่มสุราสุราคือเหล้า เ, เมลัยคือเบียร์คั่นชายาฝิ่นเฮโรอีนโคเคนมีมากทุกวันนี้แต่ถึงจะมีชื่อและไม่มีชื่อก็าตามสิ่งเหล่านั้นดื่มหรือเสพเข้าไปแล้วขาดสติเอาตัวขาดสตินะ่ะเป็นกฎเป็นเกณฑ์ถ้าดื่มดื่มอะไรเข้าไปก็าตามขาดสติ เมื่อขาดจติแล้วทําความชั่วได้ทุกอย่างเพราะคนขาดจิตจะฆ่าใครก็ได้ศินข้อที่หนึ่งจะขโมยใครก็ได้ศินข้อที่สองก็ขาดจาละล่าลาประรวงในสามีภรรยาลูกหลานของใครก็ได้เพราะขาดติตจะกโกหกต้มตุ๋นหลอกลวงใครก็ได้เพราะขาดติเพราะนั้นศินข้อที่ห้าเนี่ยเป็นศินเออถ้าเป็นยาก็ยาครอบจั ก, กรวาลอย่างที่ว่าเพราะนั้น ให้พวกเราสมรวมระวังนี่แหละศีลธรรมของพระพุทธเจ้าไม่ได้อยู่ไกลเอาใจเขามาใส่ใจเราเอาใจเราไปใส่ใจเขาถ้าเราต้องการความสุข เ, เราก็จะไปเบียดเบียนคนอื่นเขาเต่างคนต่างต่างเคารพสิทธิ์ซึ่งกันและกันนี่แหละศีลธรรมของพระพุทธเจ้าพราะนั้นคนโบราณต้นตระกูลไทยบัณฑ์พมรุษของพวกเราท่านจึงย ก, ย, ย, กย่องเชิดชูบูชาเรื่องศีลธรรม เพราะนั้นขอพวกเราขอให้นึกคิดดูซิเก่งไหมตามที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวให้กับพวกเราได้ฟังได้ศึกษาตอนน่อไปเมื่อเรารู้คุณค่าของศีลแล้วหลวงพ่อจะเป็นผู้พานำสมาทานศีลนะโมตัสสะภควะโตอรหะตัสมะสีหลังวิโสทายะวันนี้ หลวงพ่อได้มาพบกับคณะสัตย า, าติยมที่ชมลมพุทธบริษัททีโอทีจำกัดมหาชนถนนแจ้งวัฒนะซอยทุ่งสองห้องเขตหลักสี่กรุงเทพมหานครวันที่24กล่กุมภาพันธ์พุทธศักราช2560นอที่ มีจดหมายเรยกว่าเป็นคำกลับอราธนามาแสดงธรรมในวันนี้นะว่าด้วยสมรมพ์บริษัททีโอทีจำกัดวงเล็บมหาชนได้จัดให้มีการฟังพระธรรมเทศนาและปฏิบัติธรรมตามหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาเป็นประจำทุกเดือนเพื่อให้พนักงานและผู้สนใจทั่วไปได้ร่วมการทาบุญฟังธรรม โดยศึกษาข้อวัดปฏิบัติภาวนาตามหลักธรรมจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์ซึ่งเป็นการน้อมนำธรรมะสู่องค์กรและนำหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้กับชีวิตและการทำงานนำพาไปสู่การพัฒนาจิตให้มีคุณธรรมจริยธรรมเป็นคนดี ขององค์กรและสังคมสืบไปแล้วก็ในวันศุกร์ที่24วันนี้กุมภาพันธ์2560อันเป็นวันสถาปนาองค์กรโทรศัพท์แห่งประเทศไทยบริษัททีโอทีวงเล็บจำกัดในปัจจุบันครบอายุ63ปีอ่อนกว่าลุงพ่อหน่อยนึงนีน่โดยกำหนดการแสดงธรรม เริ่มเวลา 12.00 น, นต่อนนี้ไปหลวงพ่อจะได้แสดงธรรมและว่ากล่าวสมโภชนิยกถาให้กับคณะสัทธาญาติโยมแต่หลวงพ่อเองทราบว่าองค์หลวงตามหาบัวที่นั่งอยู่ที่มีรูปอยู่เนี่ยท่านก็เป็นพ่อแม่กูบาอาจารย์ของหลวงพ่อเหมือนกันนะหลวงพ่อไปอยู่กับท่านตั้งแต่ปี2512 จนถึงสองพันห้ารอยี่สิบห้าเป็นเวลาสิบสามปีเกือบสิบสี่ปีอยู่ลงกับหลวงตามหาบัวนะท่านก็ตรงพ่อจะได้ออกไปสร้างวัดป่านาคำน้อยนี่แหละพอมาเห็นรูปหลวงตาแล้วก็เออแล้วก็ทราบว่าหลวงตาเคยมารับผ้าป่าทองคำที่ท o โอทแห่งนี้สองครั้งนะถ้าลงถ้าครั้งเดียวนะครั้งเดียวครั้งหนึ่งแต่ ก็โดยมากลงตาจะไปเกือบทั่วประเทศเกือบทุกจังหวัดในยุคสมัยนั้นปีนั้นเป็นปี3940ประเทศไทยของเราต้มยำกุ้งข่าวนั้นนะแปลว่าประเทศไทยของเราเป็นหนี้สินอย่างมากถ้าพวกเราถ้าจำระลึกได้นะพวกลูกๆูกหลานก็คงจะยังยังไม่ได้ขึ้นยัามาเจอแต่ลงพ่อนี่ เจอเต็มเป่าฮะที่หลวงตาออกไปแต่หลวงพ่อก็ได้นานๆได้ไปาหาร่วมทองคําเข้าครังหลวงหลวงตาของมหาบัวของเรานี่เออที่นท่านรักชาติรักแผ่นดินรักพี่น้องประชาชนศรัทธาญาติโยมลูกหลานท่านรักอย่างถึงใจท่านช่วยโรงเรียนช่วยโรงพยาบาลช่วยเครื่องมือแพทย์ท่านเราไปอยู่ในละแวกนั้นหลวงตามหาบัวเนี่ยท่านช่วยมากมายที่เดียวแล้วก็ ช่วยถึงเฮือกสุดท้ายลมหายใจของท่านเฮือกสุดท้ายทำไมจึงพูดอย่างนั้นเพราะพินัยกรรมของหลวงตามหาบัวเนี่ยท่านเขียนให้ท่านรองประธานศาลดีการเป็นผู้เขียนเป็นลูกศิษย์ของท่านท่านบอกว่าเมื่อเราตายไปเมื่อลงเราตายลงไปเมื่ อ, อไหรเ่เงินอยู่ในบัญชีของเราเที่มันมีอยู่ แล้วเงินที่พี่น้องประชาชนมาทำบุญในงานศพของเราให้นำเงินเหล่านั้นไปซื้อทองคำแล้วหลอมทองคำให้เป็นทองคำแท่งมอบให้ขังหลวงเพื่อเป็นเงินประกัน ท, ท น, ทนบัตรเมื่อพิมพ์ธนาบัตรออกมาใช้เงินกระดาษจะไปเป็นจะไม่เป็นกระดาษกองเตกนะพูดง่ายๆ จะได้เป็นมีคุณค่าในกระดาษธนบัตรนั้นอย่านําเงินเอามาใช้ในงานศพของเรางานศพของเราเอาฟืนเผาอย่านําเงินมาใช้นี่แหละหลวงพ่อเองที่พูดคํานี้ให้ฟังพ่อใหญเพราะหลวงพ่อเองอยู่ในพิ่นกรรมในสีองค์ที่ที่หลวงตามหาบัวให้นะมีหลวงปู่ฟักท่านหนึ่งแล้วก็องค์ที่สองก็คือหลวงพ่อนี่แหละ เป็นองค์ที่สองได้รับพินัยกรรมองค์ที่3ก็คือพระปัญญาปัญญาวัฏโทเป็นพระฝรั่งแต่ท่านของมรณาภาพและองค์ที่สี่ก็หลวงพ่อวันชัยสุจิตโตวัดภูสังโฆที่ยังมีชีวิตอยู่แต่องค์หลวงปู่ฟักท่านก็จากไปก่อนหลวงพ่อปัญญาก็จากไปก่อนแต่หลวงพ่อวันชัยท่านก็ป่วยทำก็เลยมาจัดในงานศพหลวงพ่อเองกระโดดเต็มตัวเข้ามาช่วยจัดการโรแลศพ สาลีระขององค์หลวงตาแล้วก็เมื่อจัดแล้วก็ท่านก็มอกว่าให้พระสุดใจทันตมโนเป็นผู้จัดการมรดกของเราอันนี้แหะอันนีค้คือเจ้าวาดทุกวันนี่แหละคือหลวงพ่อสุดใจให้เป็นผู้จัด <c oughs> <c oughs> การเรื่องมรดกขององค์หลวงตานี่อันนี้หลวงพ่อท้าวความให้กับลูกหลานคณะจตหธาญาติโยมได้ฟังเพราะว่าองค์หลวงตาท่านรักชาติรักแผ่นดินจริ ง, รงขนาดเหงื่อหายใจเฮือกสุดท้าย องหลงตายยังช่วยเหลือประเทศชาติบ้านเมืองนะนี่ยแหละจบแล้วทองคําเดี๋ยวนี้เขาอยู่คลังหลวงทองคําได้13ตันกว่านะคณะรททาทฎรญาติโยมแล้วก็เงินดอลลาร์สิบล้านกว่าดอลลาร์ถ้าคิดเป็นเงินไทยออกมาแล้วก็ ห, วหลายเงินพอสมควรแต่บางคนก็ลูกหลานบางคนก็อาจจะเคิดว่าใช่และเซี่องตาไม่ได้เอาเงินของตัวเองเอาเงินของผี่น้องประชาชนเอามาเข้าคลังหลวง แต่คิดอย่างนั้นก็โทกแต่ว่าให้คนที่พูดอย่างนั้นอ่ะออกไปหาด้วยสิเอาทำอย่างหลวงตาได้ไหมคงจะไม่ได้ไมีแต่พูดเฉยๆพราฉยนั้นการที่ผู้ใดก็ตามทำคุณงามความดีประกอบคุณงามความดีช่วยเหลือประเทศชาติบ้านเมืองน่าจะเชิดชูบูชาเนี่ยหลวงพ่อจึงได้กล่าวให้กับคณะทาญาทโยมที่มานั่งต่อนหน้าหลวงพ่อเนี่ยให้ได้ฟังว่า องหลงตาช่วยเหลือประทาตประเทศชาติบ้านเมืองอย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวนะคณะนักศร้าญาติโยมลูกหลานลตอนนี้ไปหลวงพ่อจะเข้าประเด็นแล้วนะที่นี่นะวันนี้ทุกนับว่าเป็นวันมงคลมหามงคลยิ่งแต่ว่าหลวงพ่อทราบมาว่าทีโทบริษัทของเรานิมนต์พระกูบาจาันช่วงขณะเดี๋ยวนี้ก็ว่าอาจทุกสิวัน จะมีการแสดงธรรมเทศนาในบริษัทแห่งนี้ทาให้จริงการฟังในหลักของพุทธศาสนาการแสดงแนวความคิดของครูบาอาจารย์ก็นานาจิตต่างนานาทัศนะแต่ถึงอย่างไรครูบาอาจารย์ก็นำพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้ามีมาก8 4 0 0 0พระธรร ม, มขันธ์มีพระสูตรออมี พระวินัยคือกฎระเบียบพระสูตรก็คือเรื่องราวพระปรมัตธรรมคือแนวทางด้านจิตใจแนวความคิดเนี่ยครูบาอาจารย์แต่ละองค์ท่านก็คงจะนําพระธรรมคําสอนออกมาประกาศบอกกล่าวให้กับคณะศรัทธา ญ, ญาติโยมลูกหลานได้ยินได้ฟังเพราะฉะนั้นการได้ยินได้ฟังเป็นผลดีถ้าเราใส่ใจในการได้ยินได้ฟังในหลักธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าท่านได้ตรัสไว้ว่าผู้ฟังธรรม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 ทางวิปัสสนาตัดกิเลสราคะโทสะโมหะออกจากใจของเราได้ใจของเราจะบริสุทธิ์ได้เพราะจิตภาวนามายะปัญญานี่แหละหลักธรรมคำสอนของพุทธะสรุปแล้วก็คือต้องอาศัยการได้ยินได้ฟังคำพุทธพุทธภาษีคำหนึ่งว่า ส, สุสังลัสะเตปัญญงผู้ฟังด้วยดียอมได้ปัญญา เพราะนั้นสรุปแล้วก็คือต้องอาศัยการได้ยินได้ฟังเพราะนั้นครูบาอาจารย์พระสงฆ์ที่มาแสดงธรรมณสถานที่แห่งนี้ก็คงจะหลายองค์แต่การฟังธรรมก็คงจะทุกองค์หนึ่งก็ถูกกับจริตองค์หนึ่งพวกเราก็คุกถูกกับจริตแต่และองค์นเพราะนั้นเขาเราจึงเลือกเลือกฟังจากครูบาอาจารย์ที่มาแสดงธรรมท่านก่อนที่จะมาแสดงธรรมท่านก็การกรองไตรตอง ของท่านแล้วจึงม า, มาบอกมากล่าวให้กับพวกเราแต่วันนี้หลวงพ่อจะไม่ได้พูดเรื่องทานเรื่องทานะคือการเสียสละการเสียสละการอยู่ด้วยกันต้องมีการเสียสละแล้วกัเรื่องศีลการอยู่ด้วยกันต้องมีกฎระเบียบตั้งแต่สองคนขึ้นไปต้องมีกฎระเบียบการอยู่ด้วยกันแต่เรื่องภาวนาเป็นแนวความคิดแต่วันนี้หลวงพ่อจะเน้น เรื่องความคิดเรื่องจิตตภาวนาฮะมากกว่าเรื่องทานเรื่องศีลเรื่องทานการอยู่ด้วยการต้องเสียสละตั้งแต่สองคนขึ้นไปเราต้องเสียสละให้พอ่อให้แม่ให้วงศาคณาญาติให้ผู้มีพระคุณเอ่อเรื่องว่าการทำบุญทำทานอภัยญาทานไม่ถือโทษโกรธเคืองเมื่อเขาทำผิดกับเราเล็กๆน้อยๆ อ, อันนี้ก็ว่าอภัยญทาน อมิชทานก็คือการสงเคราะห์ อ, อนุเคราะห์ด้วยปัจจัยสี่ที่เขาด้อยกว่าเราเขายากจนกว่าเราแล้วก็สงเคราะห์เขาเรีย ว, ว่าการให้สงเคราะห์ด้วยธรรมเทศนาเรีย ว, ว่าธรรมทานการให้ธรรมทานให้ทำเป็นทานอันนี้เรียกว่าการให้ธรรมะแนะนําสั่งสอนออแล้วก็วิทยาทานคือการให้ความรู้กับคู่คน อันนี้ก็เป็นทานเหมือนกันมิใช่ว่าจะมีแต่ทานะอย่างเดียวนะมีมีคำว่าทานคำนี้ก็มีหลายทำเราไม่ได้รับเอารับการฟังธรรมท่านไม่ให้ธรรมะเก็บกับเราเราก็คงจะไม่มีความรู้นะวิทยาทานก็เหมือนกันถ้าครูบาอาจารย์ไม่แนะนำสั่งสอนลูกศิษย์นะลูกศิษย์จะเฉลียวฉลาดขึ้นมาได้อย่างไรถ้าว่าพ่อแม่ของเราไม่ให้อะ อา mith ทานไม่เลี้ยงลูกนะไม่เลี้ยงคู่คนไม่เลี้ยงสัตว์สาราสิงสัตว์สาราสิงคู่คนจะอยู่ด้วยกันได้อย่างไรอันนี้ก็อสิเรื่องทานของพระพุทธเจ้าท่านบรรยายไว้ น, ะนั่นแหละคนที่จะอยู่ด้วยกันได้ต้องเป็นผู้เสียสละต้องมีทานะเรื่องสิลก็เหมือนกันรักษากายวาจาหรือว่าสรวมกายวาจาให้เป็นผู้มีกฎผู้เป็นผู้มีระเบียบในการอยู่ด้วยกัน อย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวเรื่องศีลห้านั่นแหละนี่แหละเรื่องศีลศีลคุ้มครองโลกทําให้โลกทั้งโลกร่มเย็นเป็นสุขท้าเป็นผู้มีศีลอยู่ด้วยกันแต่ถึงยังไงก็ตามแต่วันนี้หลวงพ่อจะเน้นเรื่องจิตตภาวนาเรื่องจิตตาภาวนาคูบายอาจารย์ก็คงจะมีมากหลากหลายที่มาแสดงความคิดเห็นอยู่ณจุดนี้แต่หลวงพ่อเองในฐานะที่ว่าเป็นลูกศิษย์ พ่อแม่ครูบาอาจารย์สายหลวงปู่มั่นเพราะหลวงปู่มั่นท่านสอนศิตยังไงมีสอนเดี๋ยวนี้ก่อนเนี่ยต้นตระกูลของพระกรรมฐานสายหลวงปู่มั่นมีหลวงปู่เทศหลวงปู่ฟั่นหลวงปู่ขาวหลวงปู่แหวนหลวงปู่ต่างๆหลวงตามหาบัวหลวงปู่ล่าหลวงปู่จามถ้าหลวงพ่อไล่ไปคงจะมากมายที่เดียวสรุปแล้วก็คือสายหลวงปู่มั่น หลวงปู่มั่นท่านสอนอย่างไรท่านสอนกรรมฐานนี่แหละอันนี้คือจุดนี้แหละหลวงพ่ออยากจะเน้นหนักให้กับคณะจตหาญาตโยมผู้ที่มาฟังในวันนี้หลวงปู่มั่นท่านสอนเรื่องภาวนาท่านเน้นหนักเรื่องจิตตภาวนาท่านสอนลูกศิษย์ลูกหาโดยเฉพาะอย่างยิ่งครูบาอาจารย์แต่สมัยนั้นหลวงปู่มั่นท่านอยู่ป่าดงพงไพจูตามบ้านนอกคาเมโดยมากที่มีพระภิกษุ สง์เข้าไปศึกษาสรุปแล้วก็คือเหมือนกับท่านคันหัวกะเทคือพระสงฆ์ทศกัณฐ์ถ้าเอามาสอนพี่น้องประชาชนคงจะไม่มีเวลาเพราะฉะนั้นท่านจึงเน้นสอนพระภิกษุในยุคสมัยนั้นเพราะฉะนั้นครูบาอาจารย์ในยุคสมัยนั้นที่เข้าไปศึกษากับหลวงปู่มัน่นต่างพูดเสียงเดียวกันว่าอง์หลวงปู่มั่นเด็ดเดียวสอนธรรมะถึงใจเวลาลูกศิษย์เหล่านั้น ครูบาอาจารย์ที่หลวงพ่อเข้าได้เข้าไปศึกษาแต่ละองค์จะ ก, กล่าวเอ่ยถึงชื่อหลวงปู่มั่นแล้วก็ปนมมือซะก่อนนะสาธุพ่อแม่ครูบาอาจารย์มั่นท่านสอนอย่างนี้นะนี่แหละท่านเคารพถึงขนาดนั้นล่ะเคารพพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของท่านแต่นี่หลวงปู่มั่นท่านสอนอย่างไรท่านบอกว่าสมัติและวิปัสสนาเรื่องศีลท่านก็บอกว่าศีลตรงพระตรงเปนผู้มีศีล น, นะถ้าเขาว่าพระเป็นผู้ไม่มีศีล แล้วจะภาวนาจิตใจมันจะไม่สงบศีล น, นั่นแหละเป็นเครื่องอบรมสมาธิเพราะนั้นเป็นผู้มีศีลเป็นผู้อยู่ในกฎระเบียบซะก่อนในเพื่อเมื่อพระสงฆ์ทั้งหลายอยู่ในกฎอยู่ในระเบียบดีแล้วจะคิดภาวนาอะไรจิตใจก็เป่เงใสปร่งใสเป็นในในแนวแถวธรรมะได้แต่ว่าพวกเราผิดศีลไปกระทำสิ่งที่มันไม่ดีผิดศีลและวินยัย จะมาภาวนาจิตใจมันเป็นมนลถิน่นจะภาวนาจะทำให้จิตใจสงบไม่ได้อันนี้คือหลวงปูม่ม่นท่านสอนเพราะฉะนั้นสินและวิในนี่แหละเป็นเครื่องรักษาให้ดีหลวงปู่ม่านท่านเปรียบเทียบว่าผงทุรีเล็กๆน้อยๆนั่นแหละมันจะเข้าตาทําให้ตาเราฟ้าฟังถ้าขอนยุงขอนยางเราเห็นมันมาเนี่ยเราก็หลบหลีกมันได้แต่ผงทุรีเล็กๆน้อยๆนั่นละ มันเข้าตาแล้วทําให้จิตใจตาของเราฟ้าฝ่างนี้ก็เหมือนกันศินและวินัยเล็กๆน้อยๆ อ, อาบัติเล็กๆน้อยๆนัน่นแหละให้สํารวมระวังนะอย่าไปผิดวินัยนะให้ให้รักษาวินยัยในเรื่องคือจิตใจของพระกรรมฐานท่านให้เน้นหนักเรื่องวินัยในเมื่อมิเมื่อมีวินัยดีแล้วไปนั่งภาวนาณสถานที่ใดจิตใจไม่คิดออกไปข้างนอกเพราะว่าสินเป็นรั้วกั้น ทำให้จิตใจเดินไปสู่สมาธิได้ง่ายเพราะฉะนั้นพวกเราก็เหมือนกันนะแต่ถ้าหากว่าพวกที่ฝึกสมาธินะอย่างน้อยก็มีสินห้าหนะลวงพ่อว่าจะดีนะนะ่าพอเหตุลไยเพราะว่าถ้าหากว่าพวกเราไปทําสินผิดสินข้อใดข้อหนึ่งในศินห้าแล้วมานั่งภาวนาโดยสิจะทํำยังไงเหมือนไปฆ่าไปตีเขามาใหม่ๆมัดๆจะมานั่งภาวนาจะจิตใจเข้าสู่ความสงบเป็นหนึ่งมันไม่ใช่ของได้ง่ายนะ มันก็ต้องคิดถึงว่าเมื่อกี้เราไปตีไปฆ่าเข้ามานะไปข้าโมยเข้ามาอย่างนี้เป็นต้นนะเพราะฉะนั้นเรื่องสินเป็นรั้วทาให้จิตใจของเราไม่กระเพื่มจิตใจของเราสงบจากนั้นเมื่อเรานั่งภาวนาอยู่ในสถานที่ใดใจของเราก็เน่งนี่แหละท่านหลวงปู่มั่นท่านบอกว่าพระพุทธเจ้าที่นั่งอยู่ท่านนั่งอยู่ที่โครนต้นโพพุทธคยาวันเดือนหกเพนพระองค์นั่งขัดสมาธิ ขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายทำกายให้ตรงดํารงสติเฉพาะหน้ากําหนดลมหายใจเข้ารู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกรู้ว่าหายใจออกมีสติสัมปชัญญะในลมหายใจเข้าออกอันนี้คือพระพุทธเจ้าที่ท่านนั่งภาวนาในวันเดือนหกเพนจากนั้นพระทายใจของพระ อ, องค์รวมสงบเป็นหนึ่งเมื่อจิตใจรวมสงบเป็นหนึ่งเกิดญาณรัตนาเกิดฌานเกิดความรู้พิเศษขึ้นมาในขัณะนั้น ระลึกชาติผลหลังได้อย่งว่าปุกเพนิวาสานุจติยานระลึกชาติผลหลังได้เพราะฉะนั้นพวกเราเป็นพุทธศาสนิกชนเป็นพุทธบริษัทของพระพุทธเจ้าที่เรารักเคารพนับถือเลื่อมใสในพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าพวกเราให้ศึกษาตายแล้วไม่สูญตายแล้วเกิดอีกแน่นอนถ้าว่าตายแล้วสูญพระพุทธเจ้าระลึกจะระลึกชาติผลหลังได้อย่างไรอันนี้แหละให้พวกเรา ให้สังเกตให้ตั้งความเชื่อไว้ก่อนในจุดนี้นะอย่าพึ่งปฏิเสธแต่ก็ให้ฟังเอาไว้แล้ววิธีการปฏิบัติทำอย่างไรนี่ยอันนี้เราปุกเพนิวาสานุจิติยานมาถึงหลวงปู่มั่นหลวงปู่มั่นท่านก็บอกว่าให้ภาวนาพระพุทธเจ้ากําหนดลมหายใจเข้าออกแต่มาถึงพวกเราเนี่ยกำหนดลมหายใจเข้าออกมันหลุดได้ง่ายมันเผลอได้ง่ายมันหลงส้นหลงเงื่อนได้ง่ายให้บริกรรมสำทับกับพุทโธด้วยนะ หายใจเข้าบริกรรมพดหายใจออกบริกรรมโถให้บริกรรมให้ให้มีพดโถในลมหายใจเข้าในลมหายใจออกไม่ต้องตามลมเข้าไปในท้องอให้มีสติอยู่ที่ปลายจมูกถ้าจะเปรียบเทียบกับเหมือนเราอยู่ข้างประตูที่ประตูจะเข้าอาคารหลังนี้แหละเรามีสติอยู่ที่ทางเข้าประตูเวลาลมเข้าไปเราก็รู้ว่าลมเข้าบริกรรมพด เวลาลมออกไปเราก็รู้ว่าลมออกไม่ต้องตามลมออกไปและไม่ต้องตามลมปัน้นลงมาในท้องให้มีสติสัมปชัญญะในในปลายจมูกเท่านั้นและหายเวลาลมผ่านเข้ามาบริกรรมพดเวลาหายหายใจออกไปโถให้มีพดโทเวลาเราเดินขาขวาพดขาซ้ายโทเวลาเราจะทําการทํางานให้มีสติสัมปชัญญะในตัวเองนี่แหละคือ เป็นผู้ฝึกในการภาวนา น, ะนี่แหละอันนี้ก็คือจากนั้นเมื่อเรานั่งภาวนาจิตใจของเราจะเข้าสู่ความสงบเมื่อจิตใจเข้าสู่ความสงบเป็นขณิกะคือจิตใจสงบชั่วโค่ชั่วขณะป่าเดียวป่าดาวเรียกว่าขณิกะสมาธิจิตใจที่เป็นอุปัจจาระอุปจาระสมาธิคือจิตใจของเรารู้ว่าเราใจใจของเรานึกคิดเรื่องอะไรในขณะนี้แต่ยังไม่เน่งรู้ว่า เรารู้ว่าเรานึกคิดเรื่องอะไรอันนี้เรียกว่าอุปจารสมาธิอัปปนาสมาธิจิตใจแน่วนิ่งสงบนิ่งจิตเป็นอันใดสติเป็นันนั้นจิตเป็นอันใดสติเป็นอันนั้นสติกับจิตเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันอันนี้เรียกว่าอัปปนาสมาธิคนเราพวกเราท่านทั้งหลายเพียงจิตใจเป็นอัปปนาสมาธิเท่านั้นแหละไม่ถึงกับมรรคกับผลหรอก เพียงเท่านี้พวกเราก็รู้ได้ว่าตายแล้วเกิดหรือตายแล้วศูนมันชัดเจนเลยเีนี้เพราะใหไรเพียงจิตสงบเท่านั้นเมื่อจิตสงบเข้าไปแล้วใจของเราจะรู้ได้ร่างกายร่างกายของเราเนี่เป็นอันหนึ่งใจของเราเป็นอันหนึ่ ง, ง, นนนงมันแยกกันในร่างกายของเรามีสองคือรูปธรรมคือร่างกายนามธรรมคือจิตใจจิตใจกับกายกายกับใจอยู่ในร่างกายของเราเราจะเห็นได้ชัดเมื่อจิตใจของเราผ่านความสงบ ปเป็นอัปปนาสม า, สมาธิหลวงพ่อเลยปเปรียบเทียบให้กับพวกเราท่านทั้งหลายเป็นเห็นเป็นรูปธปรรมหลวงพ่อบอกว่าร่างกายเหมือนกับรถจิตใจเหมือนกับคนขับรถรถกับคนขับรถมันคนละอันกันร่างกายจะขยับเพื่อเยื่อไปได้ต้องอาศัยคนขับรถจะขยับไปได้ต้องอาศัยคนขับนะถ้าคนไม่ขับรถคันนั้นไปไม่ได้นี่ก็เหมือนกันร่างกายของเราถ้าใจออกจากร่างแปลว่าคนนั้นตายแปลว่าหมดสภาพ นั่นแหละใจออกจากร่างแล้วเรียกว่าใจตัวนั้นแหละในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าท่านให้ความสําคัญเรื่องของใจมากกว่าเรื่องของกายเรื่องของร่างกายท่านให้ความสําคัญน้อยมากพระพุทธศาสนาท่านให้ความสําคัญเรื่องของใจมากกว่าดังนท่านจึงยกเป็นพุทธภาษีว่ามโนปุพังขมาธรรมามโนเสธามโนมายาเรื่องทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นหัวหน้าสําเร็จแล้วร่วใจ ท่านให้ความสําคัญเรื่องของใจมากกว่านี่หละใจตัวนี้แหละสาคัญใจิตใจตัวนี้มันมีอะไรจึงบกวนเวียนจึงไปเวียนว่ายตายเกิดเพราะมีกิเลสราคะโทสะโมหะถ้าเราชาระ ก, กิเลสราคะโทสะโมหะจิตใจบริสุทธิ์แล้วนั่นหละจะไม่มาเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารนี่หละหลักธรรมคาสอนของพุท ธ, ธะเพราะนั้นขอให้พวกเราคณะทายาิโยมทุกคนการภาวนามีหลายอย่าง กรรมฐานของพระพุทธเจ้ามีอยู่40อย่างที่จะทจําจิตใจให้สงบจิตใจให้เป็นหนึ่งพุทธานุสติธรรมานุสติสังขานสุสิศีราจาคาเทวตามีมากมายแต่หลวงพ่อเองได้ศึกษามาตามแนวแถวหลวงปู่มันท่านว่ า, าบริกรรมพุทโธเป็นหลักแต่หลวงพ่อขอแนะนำํำบอกกล่าวให้กับศรัทธา ญ, ญาติโยปิกแนวหนึ่งนะที่หลวงพ่อเคยปฏิบัติมา ว่าได้ผลนะได้ผลเห็นเห็นกับตาตัวเองเห็นกับความรู้สึกนึกคิดในตัวเองในขณะนั้นหลวงพ่อไว้เวลาเรานั่งภาวนาเรานั่งภาวนาอยู่ตามลำพังทำจิตใจให้แนงสงบแล้วเวลาหายใจเข้าให้นับหนึ่งหายใจออกให้นับสองสามสี่ห้าหกถ้ามันเผลอให้ย้อนกลับมา ไม่อย่าไปนับต่อถ้ามันไม่เผลอนับไปถึงร้อพอถึงร้อยแล้วกลับมานับหนึ่งถ้ามันเผลอมันเผลออย่างไรเนี่ยนับหนึ่งหายใจเข้านับ1หายใจออกนับสองหายใจเข้านับสามหายใจออกนับ4เออถ้ามันเผลอเผลออย่างไงคือมันเบอร์เบอร์ซะก่อนพอเบอร์เสร็จแล้วนะหายใจเข้าเป็นเลขขี้นะหนึ่งหายใจออกเป็นเลขคู่สองหายใจเข้าเป็นเลขขี้สาสี่ห้าหกขี้คู่ ขีคู่ขี้คู่พอมันจะเผลิมันจะเบอร์เบอร์พอเบอร์เบอร์เสร็จแล้วมันจะคู่ขี้นะท่านี่มันไม่ใช่ขี้คู่นะเออเนี่แหละเราจะเห็นได้ชัดได้ได้เร็วให้พวกเราออกจากที่นี่ไปกําหนดเลยนะจัดการดูดูนะมันเป็นอย่างที่หลวงพ่อพูดใหม่เพราะฉนั้นขอให้พวกเราคณะทศไทยญาติโยมลูกหลานทุกคนนะเพียงจิตใจเป็นอัปอปนาสมาธิพวกเราก็ รู้คุณค่าของพระพุทธศาสนาออมากมายมหาศาล อ, อ, อักโขคิ น, นีแล้วพูดง่ายๆถ้าเราทำจิตใจให้สงบโอ้โหพระพุทธเจ้าทำไมฉลาดถึงขนาดนี้คำว่านัตถิสันติปรังสุขขังความสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีโอ้จริงอย่างที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสจริงๆนี่แหละเพียงจิตสงบเพียงแค่นี้ละ่ะ เ, เราก็จะรู้คุณค่าของพระพุทธศาสนาออมากมายทีเดียว การกล่าวสมโภธนิยกถาในวันนี้ก็เห็นว่าสมควรกับการเวลาด้วยอำนาจคุณพระศีรัตนตรัยพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์อนุภาพสิ่งศักดิ์สิทธ์ทั่วสากลนโลกอนุภาพบุญบา ร, รมีพ่อแม่ครูบาอาจารย์บุญบา ร, รมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ท่านเสด็จสวรรคารายด้วยบุญบา ร, รมีของท่านจงมาคุ้มครอง พี่น้องประชาชนศรัท ธ, ธาญาติโยมลูกหลานจงประสบแต่ความสุขความเจริญความสุขความเย็นใจปราถนาสิ่งใดอยู่ในกรอบของศิลธรรมก็ขอให้สมหวังดังปราถนาทุกทุกท่านทุกทุกคนด้วยเธิน